พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายที่เรานอบน้อมกันมากเลยนะเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธภคควาหรือว่านาโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัพคำว่าอรหังก็ถือว่ากล่าวกันหลายครั้งแล้วในคําว่าสัมมาสัมพุทโหนี่นะพุทธพจน์หรือพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเน้นพิเศษคือเน้นพระ ปัญญาคุณเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาความที่พระองค์เป็นผู้มีปัญญานี่แหละพระองค์จึงสามารถช่วยเหลือสัพพะสัตได้นะพระองค์จึงช่วยพระองค์เองให้พ้นจากทุกขณะเดียวกันพระองค์ก็ช่วยสัพพะสัตให้พ้นจากทุกการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ช่วยสัตเนี่ยนะช่วยสองอย่างด้วยกันเรียกว่าช่วยโดยอมิตรกับช่วยโดย ธรรมะเนี่ยนะช่วยโดยอ ม, มิตรกับโดยธรรมะหรือช่วยโดยวัตถุกับโดยคุณธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่าเมื่อพระองค์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะพระองค์ได้เชื่อว่าเกิดมาเหมือนกับให้ปัจจัยคือเครื่องนุ่งห่มแก่สัตว์ทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับเครื่องนุ่งห่มก็ถามว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าเป็นผลของพุทธบูชาเป็นต้นผลของการทําบุญเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนยะเคยทำบุญเคยให้ทานถาวายปัจจัยสี่เป็นต้นเมื่อมีการให้ทานผลแห่งการให้ทานนั้นก็เป็นเหตุให้ได้รับปัจจัยทั้งหลายมีเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นอันที่จริงสําหรับผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีสาระเลยเนี่ยไม่มีพระรัตนะตรัยเป็น สารณะจะต่างอะไรรับคนที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บหรือร้อนระอุโดยที่ไม่มีเครื่องมงเครื่องบังเนี่ยนะไม่มีแบบเครื่องห่อหุ้มร่างกายเนี่ยถ้าลองสัตว์ไม่มีเครื่องห่อหุ้มร่างกายเนี่ยการเป็นอยู่จะอยู่ในสภาพใดก็อยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์มากพระพุทธเจ้าพระองค์นีเกิดขึ้นมาในโลกก็เหมือนกับว่าผูท้ที่เกิดมาเพื่อให้ความอบอุ่นและสงบร่มเย็นต่อ สัพพะสาทั้งหลายเนี่ยนะเปรียบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับผ้าที่ให้ความอบอุ่นนะนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับอาหารที่ให้ความเอิบอิ่มเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่บริโภคอาหารได้รับความเอิบอิ่มชันใดผู้ที่เจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ได้รับความเอิบอิ่มฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้ความเอิบอิ่มย้อนอีกครั้งหนึ่งบอกว่า คุณประโยชน์คู่านิสงทั้งหมดของเครื่องนุ่งห่มก็คือความอบอุ่นกับความอ น, นความอบอุ่นกับอันนั้นนะป้องกันความเราร้อนหรือร้อนระอุเนี่ยเรียกว่าปกปิดร่างกายพระพุทธเจ้าก็ช่วยทางใจแก่เราทั้งหลายฉันนั้นอันนี้นีดสภาวะทางใจนะแต่ถามว่าถ้าเราเอาผ้าเป็นต้นเป็นเครื่องพุทธบูชาเนี่ยนะ มีการให้ทานถวายทานเป็นพุทธบูชาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นจะอบอุ่นไปอีกเป็นแสนกลับเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ควรแก่เครื่องบูชาประโยชน์ของอาหารคืออะไรประโยชน์ของอาหารก็คือความเอิบอิ่มใชม่สุขภาพดีและแข็งแรงยังอัตภาพให้เป็นไปได้ให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้อย่างผาสุกพระพุทธเจ้าก็เช่นกับ อาหารตรงที่ว่าพระองค์สามารถให้ความเอิบอิ่มเนีย่ยนะให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายดําเนินไปได้อย่างปกติสุขอยู่อย่างมีความสุขคําว่าสุขในที่นี้ก็คือสุขเพราะไม่ถูกบาปอากุศลครอบงำแล้วก็กลุ้มรลงชีวิตไม่ใช่อยู่ด้วยความมืดหมัวชีวิตไม่ใช่เกลือกกลั้วอยู่กับความทุกข์ยากนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับผู้ที่ให้ให้ความเอิบอิ่มให้ชีวิตนี้เป็นไปได้ พระพุทธเจ้าถ้าเปรียบอีกในหนึ่งก็เหมือนกับอะไรเสนาสนะใช่ไหมเปรียบเหมือนกับเสนาสนะเสนาสนะก็เป็นที่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่อยู่ที่พักที่หลับที่นอนมันผู้ที่อยู่ในที่อยู่เนี่ยนะอยู่เช่นอยู่อยู่บ้านอ่ะ น, นะอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรเป็นต้นเวลาคนที่มีปกติอยู่บ้านเนี่ยนะนั่งก็สบายปกตินะใช่ไหมนะยืนก็สบายเดินก็สบายเพราะอะไรเพราะเป็น ที่อยู่ของตัวเองแม้แต่หลับนอนก็รู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยนะแม้แต่หลับนอนที่เรียกว่าแบบอะไรนะดับดับสนิทเลยหมายความว่าติดติดทวารในการรู้การเห็นการได้ยินแต่พอทําไมที่อื่นเราไม่กล้าหลับละ่ะเช่นสาลาข้างทางเป็นต้นเนี่ยที่อื่นทําไมเราไม่กล้าหลับเพราะเรามีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สบายอาจจะมีปัญหาก็ได้อาจจะมีโทษก็ได้แต่ตรงกันข้ามท้าภายในบ้านเรา เรามีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็สบายถ้อลองสังเกตดูใครที่อยู่ด้วยวิหารธรรมคือการเจริญพุทธานุสติก็ฉันนั้นอาณาชีวิตก็มีแต่ความผาสุกแล้วก็สบายยังอยู่บ้านเนี่ยนะฝนตกมากเราก็เดือดร้อนไหมแดดออกเราก็ไม่เดือดร้อนฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่ในเหตุการณ์เหล่าใดโดยมากเราทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อนฉันใดผู้ที่เจริญ ผู้ถามนุสติก็เหมือนกันนนะบุคคลเหล่านั้นก็จะมีแต่ความสงบเยือกเย็นแล้วก็ไม่ร้อนรนกรวนกวายเป็นผู้ที่อยู่สบายในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่นับถือบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเขาจะไร้ที่อยู่ที่อาศัยไหม่ว่าเขาจะไร้ที่อยู่ที่อาศัยไหมในชาตินี้และชาติต่อๆไป แทบไม่เคยได้ยินเลยว่าเพราะคนนี้ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนเลยถูกในรเทศให้ไปตกรกรรมลำบากไปปล่อยเกาะเลยเป็นต้นเนี่นะแทบไม่เคยได้ยินเพราะปฏิบัติตามคําสอนนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนสงบร่มเย็นทั้งชีวิตในชาตินี้และชีวิตในชาติต่อๆไปขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยให้สงบร่มเย็นถึงอมาตะสุขคือพระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าจึงเหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยทีนี้ก็บอกว่า วันนี้ทำทำไมมากไปโรงพยาบาลมานะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับยาเนี่ยนะยาที่ดีแล้วก็มีคุณค่าผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอาศัยอาหารหรือหยูกยาเป็นต้นกชน็ช่วยเป็นเครื่องระงับช่วยเป็นเครื่องบรรเทาให้ชีวิตได้รับความผาสุกและสบายเนี่ยนะอันนี้นี้พูดถึงว่ายาที่รักษาตามโรคโดยที่ให้ถูกต้องและก็ไม่มีโทษเนี่ยนะฉันใดพระพุทธเจ้าก็เช่นกับ ยาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์รักษาโรคกายแล้วก็โรคจิตให้แก่สัตว<ม>์ทั้งหลายถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นยาคือพระธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นเช่นกับยาขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปต่อไปในอนาคตเขาจะเดือดร้อนเขาจะลําบากเขาจะเจ็บป่วยไหมเคยได้ยินไหมว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนแล้วเดือดร้อนเนี่ยนะ บอกไม่มีมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเป็นสุขมีแต่ความสุขกายแล้วก็สบายใจทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปไอ้บางคนก็บอกว่านี่เพราะเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติธรรมนะสุขภาพไม่ดีป่วยขึ้นบ่อยขึ้นเป็นต้นเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดจากการศึกษากา ร, กาการปฏิบัติธรรมแต่อย่างว่าสังสารวัตนี่คนจะทาบุญมาหมดไหมไม่แล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ไหน ถ้าหากว่าบาปที่เราเคยทำแล้วมันไม่ตามมาให้ผลเลยนะเขามาว่าบุญมันก็ไม่ให้ผลเหมือนกันนะใช่ไหมยอย่างที่เขาบอกว่าแม่น้ำถ้าล้างบาปออกไปได้มันก็ล้างบุญเหมือนกันนะสมมติถ้าน้ำแม่น้ำสายใดสายหนึ่งล้างบาปออกไปมันก็ต้องล้างบุญออกไปน้าที่ล้างของหอมออกไปก็แสดงเอะน้ำที่ล้างของเหม็นออกไปแสดงว่าน้าอันนั้นก็ต้องล้างของหอมด้วยฉันใดเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใช่ไหมพระองค์จึงเป็นเช่นกับยาที่ช่วยให้เราทั้งหลายนี่ได้ประสบแต่ความสุขความสบายแล้วก็ความปลอดภัยทีนี้ไอ้ระหว่างที่เราศึกษาและปฏิบัติอาุศลกรรมบางอย่างอาจจะให้ผลแต่ไม่ได้เกิดจากคำมะไม่ได้เกิดจากคาสอนแต่เกิดจากอะไระเราเองก็ไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์มาจากไหนใช่ถ้าบริสุทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้ว เราจะต้องมาศึกษาทําไมเพราะเราก็เป็นพระอริยะเรียบร้อยแล้วปรินิพานแล้วแต่นี้เนื่องจากไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนี่ยอกุศลกรรมก็ตามมาเบียดเบียน ด, ด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยอากุศลกรรมเหล่านั้นก็ตามมาเบียดเบียนตามทวารต่างๆแต่ก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นกับยา่าใช่ไหมรักษากายจะป่วยแต่ใจก็อย่าป่วยเนี่ยนะร่างกายจะลําบากแต่ใจก็อยา่า ลำบากเนี่ยร่างกายจะเร่าร้อนทุกร้อนแต่ใจก็อย่าเดือดร้อนเร่าร้อนแล้วก็ทุกร้อนด้วยการที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเช่นกับอย่าเนี่ยนะช่วยให้เราสุขกายแล้วก็สบายใจคิดดูนะว่าคนป่วยแบบมีธรรมะโอสถกับไม่มีธรรมะโอสถเนี่ยต่างกันไหมคนป่วยที่คิดถึงพระพุทธเจ้ากับไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าต่างกันเยอะไหมบอกว่าต่างกันเยอะมากเนยนะ คนเจ็บป่วยทั่วไปโดยที่ไม่มีพุทธคุณอยู่ในใจเนี่ยป่วยทั้งกายแล้วก็ป่วยทั้งใจแต่คนที่ป่วยแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ป่วยแต่ร่างกายแล้วก็จิตใจก็ไม่ป่วยทีนี้ถามว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักเจ็บไข้ไม่รู้จักเจ็บปวดไม่รู้จักเจ็บป่วยชีวิตมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวโดยทายเดียวไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นพาธาเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ร้อนเลยเนี่ยศึกษาธรรมะทําไม พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สอนธรรมเพื่อพ้นจากชาติชาราและมรณะก็เนื่องชาติจากชาติชาราและมรณะมันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมเพื่อนําออกจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นั้นพระองค์ก็ประกาศธรรมเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัตถทุกข์นั่นเองสรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้ามองธรรมดาง่ายๆเลยเนี่ยพระองค์ให้เราได้ช่วยเหลือเราได้เหมือนกับเครื่องนุ่งหม่ม พระพุทธาให้ที่ให้ความอบอุ่นเนี่ยนะโดยที่ไม่ร้อนไม่เร่าร้อนพระพุทธเจ้าจึงเปรียบกับอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณค่าที่ช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเอิบอิ่มแล้วก็มีความสุขต่อไปพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยให้ความปลอดภัยโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับยาทั้งหลายที่รักษาโรคยาที่ดีทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเปรียบถ้าเราต้องข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นล่ะพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นกับเรืออย่างที่พระองค์บอกกับกันหาชาลีผู้เป็นบุตรของพระองค์ว่า น, นะลูกช่วยช่วยให้ทานให้พ่อหน่อยนะ น, นะเพื่อให้บารมีของพ่อเนี่ยเต็มพ่อจะยังธรรมนาวาธรรมะนาวาเนี่ยเพื่อที่จะรื้อขนพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากทุกข์ได้ซึ่งพระองค์ก็เป็นเช่นกับเรือจริงๆ หลังจากการตรัสรู้ของพระองค์แล้วพระองค์ช่วยสรพพะสัตทั้งหลายเท่าไหรช่วยเหลือสัพพะสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ช่วยเหลือสัตว์ให้ตรัสรู้อ ม, มะตะธรรมพ้นจากโสกปริเทวทุกขโทมานัสอุปาญาตพ้นจากชาติจรามรณะหาประมาณมิได้เพราะฉะนั้นพระองค์เกิดมาในโลกเกิดมาเพื่อเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมาเพื่อความอบอุ่นของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อความเอิบอิ่มเกิดมาเพื่อความ อยู่พาสุกโรมเกิดมาเพื่อปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็พาสัตว์ทั้งหลายข้ามจากพ่วงแห่งความทุกข์ให้ไปสู่แดนแห่งความสุขเนี่ยนะให้ไปสู่ธรรมะที่สงบสุขให้ตรัสรู้ธรรมที่เป็นสุขนั้นพระพุทธเจ้าจึงเหมือนกับเรือจึงเหมือนกับรถเนี่ยนะเหมือนกับรถที่เรียกว่ายานพาหนะที่นําไปสู่สถานที่เกษมแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะ ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรษษัรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อย่างสรรษษัรพสัตวทั้งหลายมีมือเปื้อนเลือดเป็นนักเข็นนักฆ่าเป็นผู้อาฆาตพยาบาทแล้วก็จองเวนตามเข็นตามฆ่าล้างผลันสัตว์อื่นหาประมาณไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเลิกเลยเปลี่ยนนิสัยไปเลยกลายเป็นคนที่ฝึกแล้วด้วยฝึกด้วยธรรมะเนี่ยนะ กลายเป็นคนที่เลิกฆ่าคนบางคนเนี่ยเป็นทําบาปทําอกุศลเนี่ยนะปล้นสะดมเป็นต้นเมื่อการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทําให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากการปล้นสะดมบางคนนี่ผิดการมเมสุมิฉาจาร์เนี่ยมากไม่ใช่บางอะเยอะเลยแหละแต่ว่าอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้เขาพ้นจากเวรทั้งหลายเหล่านี้คือเขาเป็นคนที่มีเวรสร้างเวรด้วยการฆ่าบ้างสร้างเวรด้วยการรักการปล้นบ้างสร้างเวรด้วยการ ประพฤติ ผ, ผิดในกาลบ้างพระพุทธเจ้าช่วยให้เขาพ้นจากเวรและภัยทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าช่วยให้เขาเนี่ยล่วงจากกายะทุจริตดำรงอยู่ในกายสุจริตพระองค์เนี่ยทำให้เขาพ้นจากสิ่งที่มีโทษทางกายให้ทำในสิ่งที่ไม่มีโทษทางกายพระองค์ช่วยให้เขาเนี่ยพ้นจากสิ่งที่เขาต้องเดือดร้อนทางกายให้เขาได้รับความสุขสบายในทางกายต่อไปใน อนาคตรพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นเช่นนั้นนั้นพระองค์จึงเกิดมาเพื่อเกื้อกูลแก่โลกเนี่ยนะ